พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกับคนเข้าอบรมใกล้กเคียงกันมั้ยจำนวนดูพี่เลี้ยงหลายแถวเลยอย่างละสามแถวอะ่ะพี่เลี้ยงเยอะดีช่วยกันเลี้ยงเป็นทีมไหนละ่ะอันนี้เป็นพนัก ง, งานกอฟอฟอรฟผหรือเปล่าดีวันนี้สบายคนน้อย พี่เลี้ยงก็ดีนะศึกษาช่วยคนอื่นด้วยช่วยตัวเองด้วยอย่างเวลาเราคอยช่วยคนอื่นนะสติปัญญาของตัวเองก็ทำงานไปด้วยสังเกตของเราไปด้วยได้ประโยชน์นะเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อพุทธหนะลวงพ่อพุทธนะตอนท่านออกมาสอนทีแรกทุนลของท่านยังไม่หมดนะ ทุลาของท่านเปหมดบนธรร ม, มาทมระหว่างแสดงธรรมนะท่า น, นแสดงธรรมแสดงไปแสดงไปจิตก็พิจารณาธรรมไปด้วยจิตรวมลงไปตัดเอกตัดในขณะที่กําลังเทศอยู่เวลาจิตมันตัดกิเลสนะี่ยตัดเร็วแวบเดียวท่านบอกว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บจิตกลับมาสู่โลกมนุษย์เนี่ย ท่านรีบนึกเลยว่าตะกี้พูดถึงประโยคอะไรนะพอนึกออกนะท่านก็พูดต่อเลยคนก็คิดว่าท่านหยุดหายใจธรรมดาช่วงเวลานิดเดียวนะนะอันนี้ท่านเล่านะไม่ใช่หลวงพ่อเล่าหนะท่านเลา <c oughs> ่าเราจะไปรู้ของท่านก็ไม่ได้หรอกนะบางท่านก็ตัดตอนฟังทำนะนี่อาจารย์สุจินเล่าอาจารย์สุจินท่านเล่าให้ฟังรับ ครูบอาจารย์องหนึ่งชื่อท่านอาจารย์บุญยังหรืออะไรนั่นฟังทำรรอยู่แล้วก็ขาดอีกท่านหนึ่งแม่ชีแก้วแม่ชีแก้วท่านแสดงทำให้อาจารย์สิงห์ทองฟังแล้วก็เทศเทศเทศแบนั้นเท ศ, เทศยาวเทศไปเรื่อยไม่เลิกนะบอกว่าพอท่านอาจารย์สิงห์ทองเข้าใจหมดละเสร็จธุระแม่ชีแก้วท่านก็เลิกเทศเลยนะ เั้นในขณะที่ฟังธรรมนะถ้าจิตมันดาเนินตามไปมีสติตามรู้ตามดนะูมันก็อาจจะได้ของดีสมัยพุทธกาลมีเยอะนั่งฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะาขึ้นมายุคของเรานี่หายากหน่อยอินทรีย์พวกเราไม่เข้มแข็งเหมือนคนสมัยพุทธกาลนะต้องยอมรับความจริงพวกเราอ่อนกว่าเขามากเลยเทียบกันแล้วเนะทียบแล้วอ่อนกว่ากันเยอะ แต่คนสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ทุกคนอินทรีย์กล้าแข็งบางคนก็ตกนรกไปบางคนเจอพระพุทธเจ้าเราไม่เอาก็ามีคนดูถูกพระพุทธเจ้าดา่าพระพุทธเจ้าก็มีไม่ใช่ไม่มีในความเป็นจริงแล้วก็คือคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจาศาสนาพุทธเพราะศาสาศนาพุทธเป็นาศาสนาที่ฝืนความรู้สึกฝืนมากเลยอย่างคนทั้งหลายนะั่นเาเกลียดทุกข์เขาอยากจะไม่เจอความทุกข์ พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ฝืนความรู้สึกไม่ให้รู้ทุกข์แทนที่จะให้ละทุกข์ฝืนมากเลยนะศาสนาอื่นคําสอนอื่นนะมักจะมีสิ่งที่มาช่วยนะพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกพึ่งเทวดาพึ่งพระพรหมพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะพึ่งพระเจ้าศาสนาผู้สอนให้พึ่งตัวเองนี่ฝืนความรู้สึกอีกแล้วคนเราไม่อยากพึ่งตัวเองเท่าไหร่หรอก เราฝึกมาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กเราพึ่งพ่อพึ่งแม่นะเคยตัวยิ่งคนไทยนะนะพึ่งพ่อพึ่งแม่จกนกระทั่งตัวเองมีลูกมีหลานยังพึ่งพ่อพึ่งแม่อยู่ก็มีนะมันพึ่งคนอื่นนะไม่ค่อยพึ่งตัวเองฝืนความรู้สึกนะที่จะให้พึ่งตัวเองแล้วมีศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่พอคําสอนบางอย่างนะบอกให้มีศรัทธาไว้เชื่อไว้เชื่อไว้นะก็พ้นไปได้แล้วของพุทนี่ไม่พอนะ ต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีตั้งหลายอย่างต้องพัฒนาขึ้นมาอกุศลก็ต้องละกุศลก็ต้องเจริญกุศลเจริญแล้วต้องเจริญให้ถึงพร้อมศีลก็ต้องมีสมาธิปัญญาต้องมีหมดเลยมีภารกิจที่จะต้องช่วยตัวเองตั้งมากมายมีภารกิจในการพัฒนาตัวเองเยอะแยะไม่ใช่ร้องขอ ไม่ใช่ร้องขอเจะประคุณขอโน่นขอนี่ขอไม่ได้นะขอได้นะแต่ไม่ได้อย่างที่ขอถ้าจะขออะไรก็ขอไดนะ้แต่มันจะไม่ได้อย่างที่ขอต้องมีเหตุต้องทำนั้นศะา ส, สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ฝืนกับโลกเขามากเลยนะในโลกมีแต่คนอ่อนแอนะอยากพึ่งคนอื่นในโลกมีแต่คนกลัวทุกข์เกลียดทุกข์ไม่อยากรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้อยากให้รู้ทุกข์ฝืนความรู้สึกมากเลย ฉะนั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของคนส่วนน้อยจริงๆถ้าไม่มีบุญจริงนะไม่มีสติไม่มีปัญญาพอเนี่ยไม่เอาศาสนาพุทธหรอกนี่พวกเราเพียงมีบุญอยู่บ้างเราเกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นชาวพุทธอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามีทุนเดิมอยู่บ้างแต่เราเป็นชาวพุทธมาในทะเบียนบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธโดยทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธโดยประเพณี มีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ น, นะหรืองานศพงานอะไรก็ยังนิมนต์พระมาะเขาบอกเราเป็นชาวพุทธดังนะนั้นยังไม่ใช่พุทธแท้ๆหรอกมันเป็นแค่ผิวๆแค่เปลือกเปือของชาวพุทธนะถ้าเราอยากเป็นชาวพุทธแท้ๆได้รับประโยชน์จากศาสนาพุทธเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเราต้องฝึกมากกว่านั้นนะต้องพัฒนาตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะล่าเลยอันใดหนึ่งไม่ได้ ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองนะเราไม่มีทางได้เป็นชาวพุทธแท้เลย<ม>เป็นชาวพุทธโดยประเพณีนะเป็นชาวพุทธโดยทะเบียนบ้านอนะไรเงี้ยไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงมีไม่มากในโลกนี้มีไม่มากกระทั่งในเมืองไทยว่ามีชาวพุทธตามทะเบียนนะมีหลายสิบล้านเจ้า<ม>กี่เปอร์เซ็นต์ก้าวสิบสี่หรือก้าสิบห้าเปอร์ซนลองไปถามสิว่า พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะชื่ออะไรตอบไม่ถูกครับหลวงพ่อเคยดูโทรทัศนะ์นะก่อนจะบวชรายการถวายไลฟ์โชว์หรือยี่สิบคำถามอะไรที่เป็นคำตอบสุดท้ายเขาเรียกรายการอะไรจะไม่ได้ยังอยู่ไหมหรือเจ๊งไปแล้วถ้ายัางอยู่มันทนเกินเหตุนนะมันอ น, นิจจังนะมันจะเที่ยงตลอดไม่มีใครก็ดูเหมือนกันวันนึงคุณไตรพบตั้งคาถามว่าใครเป็นพ่อของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ นี่สุดโทธนาะนะพระานนท์อะไรต่ออะไรมันตอบเฉยเลยนะว่าเทวทัตเป็นคําตอบสุดท้าย <c oughs> นี่นะชาวพุทธนะชาวพุทธมีกี่คนรู้ว่าศีลห้าเป็นยังไงบ้างนะสี่ห้าข้อเอาแค่จํานะยังไม่ต้องถึงทำหรอกแค่จําศีลห้าข้อให้ยังจําไม่ค่อยจะได้เลยนะก็พร่องกับแพร่งกับพร่องกับแพร่งมันเป็นชาวพุทธแต่ชื่อหรอกเป็นคนเข้าวัดเหมือนกันแต่เข้าวัดตอนที่เขาหามเข้าไป เอาไปเผานะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรบางคนก็เข้าวัดก่อนยังไม่ทันตายเข้าไปหาวัตถุมงคลก็ยังดีดีกว่าหาวัตถุอัปมงคลเห็นะก็ยังดีเหมือนกันนะหรือเข้าไปหาหวย ห, หาเบอร์หาอะไรไอนะ น, นี้เยอะนะนนเยอะบางคนใช้ทฤษฎีเอากุ้งฝอยไปตกปลากลระพงตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการมีโยมคนหนึ่งนะเอากับข้าว ใส่ปิ่นโตมาทางโน้นยังใช้ปิ่นโตโบราณอยู่นะยิ้วมาทําบุญเราโอ้คนนี้ใจบุญนะอาสามาทําบุญถึงในวัดทําบุญเสร็จนะหลวงพ่อขอหวยโอ้หลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกถ้าหลวงพ่อรู้หวยนะั้นหลวงพ่อไปซื้อรวยไปแล้วหลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกโอ้เหรอไม่รู้หวยเหรออ๋อจะใจแกฟรฟไปหน่อยพระองค์นี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะไม่รู้หวยนะ ไม่ไม่ให้เสียเที่ยวนะอุตส่าเสียข้าวหนึ่งสำรับหนึ่งหนึ่งปินโตแล้วนะถามต่อเงันขอวัตถุมงคลเอาแบบโชคดีถูกหวยเนะ่ยวนมาที่หวยอยีกหละโอ้วัตถุม ง, ม, ม, นะถมงคลไม่มีนะวัตถุมงคลไม่มีนะไม่ได้สร้างหรอกนะแค่บอกถ้า ง, งั้นขอตัดชายจีวรไปหน่อยบอกเฮ้ยอย่ามาตัดนะเรามีอยู่ฝืนเดียวนะ แต่แล้วจีวรราแหวงถ้าทางแกก็ฝ่อลงไปเรื่อยๆนะพระองค์นี้ขออะไรก็ไม่มีจะให้สักอย่างไม่ได้เรื่องเลยพระองค์เนี้ยในสุดแกก็ตัดสินใจเด็ดขาดหลวงพ่อมีคาถาไหมคาถาทําให้รวยออตกสุดท้ายก็คือรวยอีกละนะมีคาถาทําให้รวยมีนะท่องไว้นะหนึ่งอุทฐานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรอนะอฮ้ยคาถาอย่างนี้ไม่เอานะ ถ้ามีแบบโอมน้โมน้ำเมี่ยงปลาขยงังมีเงี่ยงนกเอี้ยงหัวโตเพี้ยงเราถูกหวอย่างนี้จะเอานะว่าโอเคถาอย่างนั้นไม่มีนะแล้มีแต่คถาของพระพุทธเจ้านะอยากรวยก็ต้องขยันทำมาหากินนะเรื่องอุทสานะสัมปทาหาเงินมาได้ก็มีอารักขสัมปทาต้องรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติไว้นะต้องรู้จักดารงชีวิตอย่างสม่ําเสมอพอควรนะไม่ใช่มีเงินพันหนึ่งก็ใช้หมื่นหนึ่งเรืนะ่อว่า ดำรงชีวิตแบบพอหมะพอควรสมชีวิตตาแล้วต้องรู้จักครอบควนเลยครอบควนชั่วก็หาทางวอดวายให้ตัวเองนึกกัลยาณมิตรตาเนี่ยใครทำได้สี่อย่างคาถานี้รวยแน่นอนแกบอกเด็ดขาดเลยไม่เอาคาถานี้นะคาถาที่ต้องลงมือทำเนี่ยไม่เอานะงั้นอยากได้อะไรที่เป็นทางลัฐทางลัฐเนี่ยชาวพุทธแท้ๆหายากนะชาวพุทธแท้ๆหายาก แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้แล้วสิ่งที่เราได้มานั้นมัน ม, นมหาศาลยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเราได้ธรรมะมาอยู่ในใจได้ครอบครองธรรมะอยู่ในใจเรานะจิตใจจะมีความสุขมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขในโลกเป็นความสุขที่กลับกรอบแปรพลวนอยู่ตลอดเวลาความสุขในธรรมะนี่ไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรติดเนื้อติดตัวเราไป หัดภาวนานะหัดรักษาศีลมีศีลมีทานมีศีลหัดภาวนาทําใจสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเดินปัญญามาดูกายทํางานมาดูจิตทํางานเป็นขั้นเป็นตอนไปนะมีทานมีศีลมีภาวนาภาวนาก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งทําความสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าสมถกรรมฐานอีกส่วนหนึ่งเป็นการเดินปัญญาเรียกวิปสัสสนากรรมฐาน สมถะกรรมฐานทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมีความสุขจิตใจมีความสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขนะเวลากิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยเราทำความสงบไปเช่นราคะเกิดเราพิจารณาสุภาพิจารณาไปไม่สวยไม่งามร่างกายเราก็ไม่สวยไม่งามร่างกายคนที่เราไปหลงรักเขาก็ไม่สวยไม่งาม เนี่ยข่มราคะได้สงบจิตสงบนะไม่มีราคะเกิดโทสะขึ้นมาเราทำสมำถะกรรมฐานด้วยการเจริญเมตตานะเจริญเมตตาก็เป็นการทำสมำถะกรรมฐานอย่างหนึ่งนะเจริญเมตตาไปเรื่อยนะสัตว์ทั้งหลายไม่หยาบีดเปลี่ยนกันนาะให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขนะในใจเต็ไมไปด้วยความเมตตานะโทสะก็หายไปจิตมีความสุขมีความสงบขึ้นมา จิตเราฟุ้งซ่านนะเราก็หายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเข้าพูดออกโทหายใจไปเรื่อยรู้ลมหายใจไปใจไม่ฟุง้งไปที่อื่นใจอยู่กับลมหายใจจิตก็สงบเนะงั้นสมถะเนี่ยทำไปเพื่อดัดแปลงดัดแปลงจิตใจดัดแปลงจิตใจที่ฟุ้งซ่านให้สงบดัดแปลงจิตใจที่เร่าร้อนให้มีความสุขนะดัดแปลงจิตใจที่เป็นอกุศลให้กลายเป็นกุศลขึ้นมา เรียกว่าไปดัดแปลงมันเป็นสมถะกรรมฐานควรทํำไหมควรทําทำแล้วดีไหมดีมีความสุขนะแต่แค่นั้นไม่พอมันมี ส, สมถะอีกเชนที่หนึ่งนะที่จะเป็นฐานขึ้นไปสู่การเดินปัญญาตัวนี้ต้องฝึกให้มากนิดนึงนะลำพังสมถะกรรมฐานเพื่อมีความสุขเนี่ยพวกเราเคยชินอยู่แล้วบางคนก็หัดพุตโธบางคนดูท้องพองยุบ นะบางคนขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่เทียนขยับไปแล้วจิตสงบจิตมีความสุขนี่สมถะเหมือนกันหมดเลยนะนะแต่มันมีสมถะกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งทําไปนะเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมต่อการเดินปัญญาเนะสมถะยังมีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาความสุขความสงบเอาความดีเป็นเป้าหมายพวกหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของใจนะเพื่อจะเดินปัญญาสมถะตัวนี้ต้องเรียนนะต้องให้มากหน่อย จิตใจชนิดไหนที่พร้อมจะเดินปัญญานี่ต้องรู้จักตัวนี้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าจะฝึกยังไงให้เกิดจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตใจที่พร้อมจเจริญปัญญานะเป็นจิตใจที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ลืมตัวนะงั้นอย่างเราไปนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปนะเพื่อจะเดินปัญญาต่อละนั่งสมาธิแล้วก็เคลิมลืมเนือ้อลืมตัวนี่ใช้ไม่ได้เลยนะมีแต่ความสุขนะเคลิ้มเคลิ้มมันเหมือนนอนหลับมีความสุขนะ เคลืมแล้วฝันฝันแล้วก็เรียกสโก้เลยว่าเกิดนิมิตนิมิตนะเห็นเทวดาเห็นผีเห็นโ น, น่นเห็นนี่นะบางคนเห็นหวยนะเห็นได้นะไม่ใช่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปูสิมหลวงพ่อรู้จักท่านตอนสมัยท่านยังอายุยังไม่มากเท่าไหร่ไนปะหาหลวงปู่สิมจะต้องแวะไปเยี่ยมอาจารย์ทองอินอยู่วัดสันติธรรมท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านออกธุดงวันหนึ่งท่านไปอยู่ในถ้ำ มันก็มาถามว่ามีหวยไหมนี่หวยนี่มันขึ้นชื่อหรือชามานานแล้วนะเจอพระแล้วต้องขอหวยไว้ก่อนท่านบอกอยังไม่มีนี่ท่านก็มานั่งสมาธินะใจมันก็คิดถึงว่าโยมอยากได้หวยใจพอท่านสงบปั๊บนะท่านเห็นเลขขึ้นที่ฝาผนังถ้าตอนนั้นรางวัลที่หนึ่ง เ, เลขหตัวเห็นหตัวนะพอเช้านะท่านก็ไปบอกโยมโยมมาโอ้เมื่อคืนนี้นะนิมิตหนะ้าที่ฝาผนังถ้ำนี้ เห็นเลขหกตัวโยมหัวดเลาะเลยโถเอ้ยสามตัวยังไม่ค่อยจะถูกเลยนะหกตัวไม่มีวันถูกหรอกปรากฏออกรางวัลที่หนึ่งหกตัวนั้นเป๊ะเลยนะคราวนี้เอาแล้ ว, ล, วละแตกตื่นกันมานะมารอหวอีกแล้วท่านก็องวดนี้อะไรวะดูไปที่ผนังถ้ำนะขึ้นอีกหกตัวพัวเลยนะไปบอกโยมนะถูกคราวนี้เจ้ามือหวยจะมาฆ่าท่านมันถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะ โอรอบนี้ท่านไม่ได้ภอวนาลนะะคนมาเต็มเลยล้อมไม่หมดเลยรอบที่สามนะขึ้นเลขหตัวอีกพวะเลยนี่องค์นี้ไม่มีสามตัวสองตัวอย่างคนอื่นนะหกตัวนี้ไม่ถูกสักตัวเลยนะเพราะอะไรเพราะใจของท่านเนี่ยไม่สมาธิไม่มีละไปเห็นโน่นเห็นนี่ไปนะแล้วชักกระยิบม่ากูเก่งกูเก่งนะคราวนี้เจ้ามือไม่ฆ่าท่านนะชาวบ้านจะฆ่าละท่านรีบหนีกลับมานะบอกหลวงปู่สิมเฉ่งสะเละเลยนะ ภาวนาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยออกนอกเนี่ยอย่าไปอย่าไปว่าท่านนะตนหลังท่านภาวนาเก่งนะเผาออกมาท่านเป็นพระท่านเหมือนกันนะอย่าดูถูกเชียวก่อนใช่ครูบาอาจารย์ที่เก่งท่านก็ล้มลุกลุกลครานมาก่อนเหมือนพวกเรานี่แหละล้มลุกลุกลครานแต่สู้มาเรื่อยนะท่านก็พัฒนาตัวขึ้นมาเรื่อยนั้นสมาธิออกนอกสมาธิรู้เห็นอะไรข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญา สมาธิที่ฝึกไปแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวอันนี้แหละสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาได้เพราะฉนั้นต่อไปเราฝึกสมาธินะเราอย่าฝึกให้เคลิมเราฝึกให้รู้สึกตัวไว้พุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธสบายไม่พุทโธเพื่อบังคับให้จิตสงบพุทโธพุทโธไปหรือหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจไปอย่างสบาย นะฝึกให้รู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นใจมันท่องคําว่าพุโทโธไปเรียนกะว่าทําสมถะไปนะทํากรรมฐานขึ้นสักอันนึงจะดูลมหายใจก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะดูท้องพองยุกก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้นะทำอะไรก็ได้นะแต่ทําไปเพื่อจะให้รู้สึกตัวนะไม่ทําให้เคลิม้มนั้นหายใจไปรู้สึกตัวใจลอยไปแล้วรู้ทันหายใจไปรู้สึกตัวใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน นะเราฝึกให้ได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนคนทั่วโลกไม่มีความรู้สึกตัวอาภัพที่สุดคนในโลกนี้ลืมตัวทั้งวันใจลอยนะใจล่องลอยหนีไปโน้นหนีไปนี่เรื่อยหนีไปคิดเน่ยส่วนใหญ่หนีไปดูลดลงมาหน่อยหนีไปฟังน้อยลงไปอีกนะหนีไปลิ้มรสหนีไปอะไรอย่างนี้น้อยมีน้อยลงแต่หนีไปคิดนี่ห น, น, น, นีทั้งวันพวกเรารู้สึกไหมเราคิดทั้งวันนะพวกเก่าๆนี่ไม่ต้องมาพยักหน้าพวกเข้าคอร์สอะนะ รู้สึกไหมใจเราแอบคิดทั้งวันรู้สึกไหมสังเกตไหมขณะที่เราไปคิดเนี่ยเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่คิดใช่ไหมรู้เรื่องคิดคิดโน่นคิดนี้ไปเรื่อยนะขณะนั้นเราลืมตัวเราเองนี่เรียกว่าเราลืมตัวเองขาดสติแล้วนะขาดสติที่จะรู้กายขาดสติที่รู้ใจสติที่รู้กายสติที่รู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าเดินสติปัฏฐานได้โลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์เราพุทธเจ้าว่าไม่ใช่หลวงพ่อว่านะ ว่าถ้ายังมีผู้จเจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอราหันต์สติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจของตัวเองด้วยไม่ใช่รู้กายรู้ใจคนอื่นนะไปเจาะฝาห้องน้ำแล้วดูเขาบอกรู้กายรู้ใจอะไรงี้ไม่ได้น ะ, ะดูตัวเองไม่ดูคนอื่นนั้นต้องเป็นสติที่รู้สึกตัวรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจใจของเราหนีทั้งวันหนีไปคิดเรื่องโ น, น้นหนีไปคิดเรื่องนี้นะเมื่อไรหนีไปคิดนะั้นมันก็ลืมตัวเองนะงั้นต่อไปนี้เราฝึกนะเราฝึก ทำกรรมฐานอันใดนหนึ่งขึ้นมาฝึกพุโทโธก็ได้ฝึกรู้ลมหายใจก็ได้ฝึกดูท้องพองยุบก็ได้ใครเคยฝึกอะไรฝึกก็นั้นแหละแต่ฝึกแล้วคอยสังเกตจิตไหมเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจออกหายใจเข้าจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจออกหายใจเข้าจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วรู้ทันจิตไป คนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบดูไปเรื่อยใจเป็นคนดูดูไปดูไปจิตแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยรู้ทันจิตไว้นะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแลวนะวอา้าต่อไปนี้ให้ทุกคนนะพวกที่เข้าคอร์สเคยทํากรรมฐานอะไรมาบ้างเคยไหมใครเคยฝึกรู้ลมหายใจมีไหมมีไหม ม, ไห ม, มีกี่คน ยกมือเลยพวกที่เข้าคอร์สนะพวกที่ไม่ได้เข้าคอร์สไม่ต้องยกนะมีกี่คนวะ้าหกเจ็ดแดเคน10คนนะใครเคยฝึกพองยุบบ้างมีไหมฝึกพองยุบมีสี่คนนะหคนนะลมหายใจมี10ฝึกพองยุบมี5ใครเคฝึกแบบหลวงพ่อเตียนขยับมีหนึ่งคนนะนี่หลวงพ่อถามมานะคนฝึก เป็นลำดับลำดับมาเนี่ยเยอะใครไม่เคยฝึกเลยมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบนี่ยเท่ากับลมหายใจนะมี10คนนะพวกไม่เคยฝึกเลยนะลองฝึกพุโทโธไปก็ได้นะพวกที่ไม่เคยฝึกลองฝึกพุทโธไปท้องพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองพุโทโธพุโทโธจิตแอบไปคิดรู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตแอบไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้นะ พุทโธพุทโธไปเพ่งจิตจนจิตนิ่งๆให้รู้ทันว่าไปเพ่งจิตเราไม่ลืมตัวเองไม่ลืมจิตใจในขณะเดียวกันเราไม่เพ่งจิตให้นิ่งด้วยเราจะรู้จิตอย่างที่มันเป็นรู้ทันมันไปเรื่อยนะในสุดจิตมันจะตื่นขึ้นมันจะรู้สึกตัวมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดสมถะที่ทําไปเพื่อเดินปัญญาเนี่ยเป็นสมถะที่ทําให้ใจของเราหลุดออกจากโลกของความคิดนะ ไม่เหมือนกันนะสมถะที่ทําไปเพื่อความสุขความสงบความดีนั่นเป็นแบบหนึ่งสมถะที่เราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นสมถะที่ฝึกไปจนใจหลุดออกจากโลกของความคิดใจของเราหนีไปคิดเรื่อยนะถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแม้นจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะฝึกจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่วิธีที่จะฝึกก็คือทํากรรมฐานมาสักอันหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตนี้ไปเพ่งเรารู้ทันนะ เช่นพ um ุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่นะคนไหนเคยฝึกพุทโธก็พุทโธคนไหนเคยฝึกรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องผ่องยุบนะลองทําดูทําดูแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจนเดกยวทั้งจิตที่เลาะท่องพุทโธมันนิ่งนิ่งแข็งแขงทื่อๆก็รู้ว่าไปเพ่งละสิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปลืมกายลืมใจกับเพ่งเอาไว้สิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้น ถ้าจิตที่เป็นผู้รู้นะมันจะไม่เผลอไปแล้วมันจะไม่เพ่งเอาไว้เราจะฝึกจนกระทั่งได้จิตที่เป็นผู้รู้ไม่เผลอไม่เพ่งนี่แหละเป็นต้นทางที่จะเดินปัญญานั้นเราหายใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันรู้อยู่2อย่างนี้นะจิตเผลอไปแอบไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจนกระทั่งจิตมันนิ่งๆิ่งทื่อทขึ้นมาเรารู้ทัน2สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ทํา2สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ทําแต่คือสิ่งที่เราทําตลอดเวลาเลย คนในโลกลืมตัวเองทั้งวันไม่เคยรู้สึกตัวเลยส่วนนักปฏิบัติจะเพ่งทั้งวันแข็งชื่อทั้งวันเลยเนี่ยสุดโต่งสองข้างนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นนักเพ่งนะเพ่งจนทั้งเนี่ยยกตัวอย่างเดี๋ยวจะหายใจให้ดูแล้วจะเพ่งให้ดูนะดูออกไหมดูออกไหมเออพวกเก่าๆ ก, ก็ดูออกนะนี่เพ่งอย่างดีนะถ้าเพ่งอย่างเร็วเนี่ยนกดดันกดขี่บีบคั้นจิต ถ้านะนะเพ่งอย่างชั่นี้ชั่นานนะสว่างโล่งโลกาธาตุว่างสบายแล้วก็เพลินอยู่ตรงนั้นเลยนะขาดสติอย่างนั้นใช้ไม่ได้อีกแลดีเหมือนกันแหละแต่ดีแบบสมถะแไอ้เพ่งแบบเคร่งเครียดนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเพ่งอย่างที่หลวงพ่อ ท, ทําทีแรกใครดูออกถ้าดูออกก็จะรู้สว่างโล่งเห็นไหมเต็มโลกาธาตุว่างแล้วเพ่งแบบเคร่งเครียดนี่ใช้ไม่ได้เลยเพ่งอย่างนี้อย่างที่ทำทีแรกนี่เป็นสมถะนะ ทั้ง2 อ, อย่างเนี้ทำให้เราเดินปัญญาไม่ได้จิตมันจะ น, นิ่งนะนั้นเรารู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวอย่าใจลอยรู้จักคําว่าใจลอยไหมใจลอยเวลาใจลอยแอบไปคิดรู้สึกไหมนั้นใจลอยนั่นแหละคือตัวที่ว่าไม่มีสัมมาสมาธิละนะเราฝึกสมาธิที่จะเดินปัญญานะีก็ฝึกที่จะไม่ใจลอยนะฝึกที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวกับใจลอยเนี่ยตรงข้ามกันบางคนบอกให้รู้สึกตัวทําไม่ได้นะ แต่ต่อไปหลวงพ่อเปลี่ยนสัมนวนใหม่ต่อไปนี้นะใจลอยแล้วรู้ไวๆนะพุดโธไปแล้วใจลอยไปแล้วรู้ไหวหายใจไปแล้วใจลอยไปรู้ไวดูท้องพองยุบแล้วใจลอยไปรู้ไวฝึกอย่างนี้นะวันนี้ให้กันบ้านแค่นี้นะฝึกอย่างนี้พอไหวไหมลองไปดูนะพี่เลี้ยงคอยไปควบคุมฝึกให้หัดรู้สึกตัวไว้ถ้าเรารู้สึกตัวได้เราจะได้ต้นทางที่จะเดินตัญญาละ รู้สึกตัวนะต่อไปเราจะดูการทํางานของกายดูการทํางานของใจดูว่าจริงๆเนี้ยร่างกายเป็นตัวเราหรือเปล่าร่างกายเที่ยงไหมร่างกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายเป็นตัวเราหรือว่าไม่ใช่ตัวเราเดินปัญญาเราก็จะฝึกให้เห็นว่าจิตใจนี้มันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตใจเป็นตัวเราหรือไม่ใช่ตัวเราก็จะฝึกอย่างนี้ถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าทั้งกายทั้งใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตนี่เรียกว่ามีปัญญา ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะรู้สึกร่างกายเที่ยงจิตใจเที่ยงร่างกายสุขจิตใจนี่มีแต่ความสุขร่างกายคือตัวเราจิตใจเป็นตัวเรานี่คือความหลงผิดนะงั้นที่เราหัดเดินปัญญาเพื่ออะไรเพื่อล้างความหลงผิดนะล้างความเห็นผิดสมถะทำเพื่ออะไรสมรถะมีสองนนะอันนะอันนึงทําไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความดีนี่เป็นสมถะพื้นๆมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมถะอันที่สองฝึกไปเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัว วิธีง่ายๆนะทำกรรมฐ า, าน น, นันดึงแล้วใจลอยไปก็รู้ทันใจไปเพ่งไว้ก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆใจมันจะรู้ตัวขึ้นมาสบายไม่เผลอไม่เพ่งนะถัดไปก็มาถึงขั้นเดินปัญญาปัญญาเนี่ยทำไปเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของกายความจริงของใจว่าเป็นไตร ล, ลักษณ์ถ้าเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจว่าเป็นไตร ล, ลักษณ์ได้ใจมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้นะสุดท้ายเลยนะจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ยึดถืออะไรอีกแล้ว กระทั่งกายกระใจยังไม่ยึดถือก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกล้เพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะว่าเป็นตัวกูของกูก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองถ้าเรามาเดินปัญญานะมีใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวใจตั้งมั่นคือมีสมาธินะใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมไปดูกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อเยเจะเห็นแต่ไตรลักษณ์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ทุกข์บิบคันร่างกายเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเรา จิตใจก็ไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็มีแต่กิเลสตัณหาบีบคั้นอยู่นะเป็นทุกข์ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกนะจิตใจเนี่ยบังคับมันไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่ฝึกอย่างนี้นะเรียกว่ามีปัญญาเพราะฉะั้นถ้าคนถามเรามาเข้าคอสทั้งทีถามว่าปัญญานั้นคืออะไรปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจนี้ เข้าใจความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาถ้าปัญญาเกิดแล้วต่อไปวิมุตต์ความหลุดพ้นจะเกิดหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความถือมั่นในกายในใจในรูปในนามนี้นะทำไมหลุดพ้นไปเพราะมีปัญญาเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ไม่น่ายึดถือเลยไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงนะเห็นอย่างนี้นะไม่มีสาระใจก็ว่างไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเรียกว่าหลุดพ้นนะเป็นวิมุตต์ มีวิมุตต์นะัอยู่กับ น, นิพพานพ้นจากรูปนามไม่ยึดถือรูปนามนะจะเห็นนิพพานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้จิตนะใจเป็นอิสระจิตใจของเราไม่อิสระจิตใจของเราถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความสุขจริงนะจิตใจของเราแต่ละคนเป็นทาตนะแต่ละคนเป็นทาตอยู่นะเป็นทาตของกิเลสตัณหาถูกมันสั่งทั้งวันเลย เดี๋ยวมันก็สั่งให้ไปดูหนังเดี๋ยวก็สั่งฟังเพลงเดี๋ยวสั่งให้ไปกินนู่นกินนี่สั่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้นะเดี๋ยวก็สั่งให้ไปวัดเดี๋ยวสั่งให้ปฏิบัติธรรมมันสั่งตลอดเลยนะนั้นจิตใจของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองเราเป็นทาตของตัณหาตัณหาสั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราหัดภาวนาไปเรื่อยนะสติปัญญาเกิดจริงๆนะเราไม่ยึดถือในกายในใจแล้วนะเราจะเป็นอิสระนะจะเป็นอิสระกิเลสตัณหาจะสั่งไม่ได้อีกต่อไป จะมีความสุขว่าจิตใจมันเป็นตัวของตัวเองนะมันคล้ายๆคนที่เป็นไทยกับคนที่เป็นทาตไม่เหมือนกันพวกเราแต่ละคนเป็นทาตเป็นทาตมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะั้นเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นทาตอยู่พระพุทธเจ้าก็มาบอกเรานะว่าเราไม่มีอิสระที่แท้จริงนะท่านสอนวิธีเจอทั้งเราหลุดพ้นมีอิสรภาพที่แท้จริงย้อนกลับไปดูข้างหลังเราถึงรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราตกเป็นทาตของกิเลสตัณหา ตกเป็นธาตุในความยึดถือกายยึดถือใจนี้ตลอดเวลาเป็นธาตุไม่มีความสุขจริงไม่มีความสุขจริงนะเป็นความสุขหลมหลมแรงแรงนะถ้าเมื่อไหร่ฝึกจนเราเป็นไทยได้เราจะมีความสุขเป็นอิสระนั้นฝะึกไปเรื่อยนะต่อไปเราจะเข้าสู่อิสระภาพเราจะมีอิสระภาพนะเราจะได้สันติภาพมาจิตใจมีความสงบทั้งวันทั้งคืนนะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังมีความสุขมีความสงบอยู่อย่านั้นมีความสุขที่สุดเลยนะ เราค่อยฝึกนะตั้งแต่ต้นทางไปค่อยๆฝึกไปหัดหัดรู้สึกตัวก่อนนะหัดรู้สึกตัวอย่าใจลอยอย่าเอาแต่สมาธิงกงว่องสมาธิงมงายสมาธิออกนอกเห็นโน้นเห็นนี่ค่อยๆมาฝึกสมาธิรู้สึกตัวนะวันนี้พี่เลี้ยงคอยไปควบคุมให้ฝึกให้รู้สึกตัวนะไปฝึกให้เดี๋ยวพอถึงวันที่สี่นะเราเดินปัญญา เป็นและรู้วิธีเดินปัญญาชำนี้ชํานาญกลับบ้านไปทําต่อนะใครทําไม่ทิ้งนะโอกาสที่จะได้มากผลนิพพานในอนาคตข้างหน้าก็มีนะแต่ถ้าเดินปัญญาไม่เป็นทํำวิปัสนาไม่เป็นไม่มีวันได้มากผลนิพพานนะแต่บางคนรู้วิธีนะรู้วิธีแล้วไม่เดินต่อก็มีบางคนรู้วิธีแล้วขี้เกียจไม่ไปต่อพวกนี้ก็ยังไม่ได้นะนานไปก็ลืมวิธีไปอีกเราจะต้องไม่ลืมตัวขั้นแรกหันรู้สึกตัว บ, บ่อยๆใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะ กลับมาอยู่ที่ตัวเองบางคุณนะนะั่นอะรู้สึกไหมคุณผู้ชาย ห, หลังเบอร์หก เ, เบอร์สิองะเพ่งอยู่นะเนี่ย <Yeah. S 1> ทำใจนิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เดินปัญญาหรอกนะนต้องคลายมันออกนะคลายแล้วดูมันทํางานถ้าเราเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงใจรักถ้าเราปล่อยแล้วมีสติตามดูไปอย่าไปกดมันให้นิ่ง เราจะเห็นเลยจิตใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างตอนนี้เบอร์12ไปคิดทราบไหมจิตหนีไปคิดทรับไหมเนี่ยจิตมันไปคิดก็แค่รู้ทันว่าไปคิดนะจิตหลงไปคิดเนี่ยสุดต่งไปข้างหลงจิตไปเพ่งเอาไว้นิ่งๆสุดต่งไปข้างบังคับตัวเองความสุดต่งสองด้านนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ทำสุดต่งด้านที่1เรื่อ ก, กามสุ ข, ขาริการุโยคหลงตามกิเลสไปใจลอยเบอร์12ใจลอยแล้วตอนนี้ รู้สึกไหมมันลอยออกไปจริงๆดูออกไหมนะนี่สอนก่อนเพราะว่าคนนี้ฝึกสมาธิมาเยอะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะหนักใจนะใจแอบไปคิดทราบไหมเบอร์สิบสอใจไหลไปคิดนะรู้ว่าไหลไปคิดนะรู้รู้รู้อย่างที่เขาเป็นดูเขาเรื่อยๆไปฮะอย่าดึงอย่าดึงพยายามดึงแล้วหลงเรียบร้อยแล้วมันหลงตรงไหน โลภะเกิดใช่ไหมเราไม่เห็นว่ามีโลภะเราก็พยายามเนี่ยไปเอาคืนไม่เอาคืนใจมันไหลไปนะไหลจะไปดึงมาเราไม่เอานะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัววันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวตรวจกันบ้านเลยอ้าวเชิญอยู่วัดคนที่หนึ่งค่ะวันแต่ละวันนะคะ่ะเห็นหลกัหลกๆอยู่สามตัวหนึ่งก็คือจะเพลินไปกับความคิดเออ ที่สองก็รู้นี่ที่สามก็เพง่งสักพักหนึ่งก็จะเออมันจะรู้สึกตัวแต่ถ้าสองตัวอ่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะง่วงอ อ, อย่างดีง่วงง่วงก็เคลื่อนไหวไหมพ่วงนั่นเท่าะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตเราฝึกสมาธิมาเยอะพอฝึกสมาธิมาม า, มากๆแนละ้วไม่มีอะไรทํานะมันไม่เดินตัญญามันจะซึมไปยู่ง่วงง่ายเพราะเราพยายามเคลื่อนไหวไหมนะกระดุกกระดิกบ่อยๆสมาธิมันเยอะรู้ออกไหม <Yeah. S 2> เวลาถ้าถ้าหลับตาเรานั่งเนี่ยไม่ถึงสมนาทีเลยค่ะก็จะรู้สึกว่ามันจะเผลอหลับไปหลับไม่ออกต้องไม่เผลอหลับนะเหลอหลับเนี่ยไปนอนหลับซะดีกว่านั่งสมาธิต้องนั่งอย่างนี้นั่งรู้ตัวไปใจสงบสว่างว่างศึกสบายอันนี้สมถะนะพอออกมาจะต้องไม่ให้ติดอารมณ์ออกมาถ้าติดออกมาอย่างนี้ไม่ได้ ออกมาอยู่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้จะไม่เดินปัญญาดะงนั้นเราต้องกลับมาสู่ภูมิของมนุษย์ธรรมดาเนี่แหละจิตของมนุษย์ธรรมดาเป็นจิตที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดที่จะใช้เจริญปัญญาจิตของพรอมไม่ได้เหมาะที่จะเดินปัญญาจิตของพรอมเช่นเราไปนั่งสมาธิจนว่างสว่างนิ่งอยู่กันนะไม่เดินปัญญาหเราสบายอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในภูมิของมนุษย์เพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยใจง่าย จิตใจกลับกรอกรวดเร็วจิตใจแสดงไตรักตลอดเวลาภูมิอื่นๆจิตใจไม่ค่อยแสดงใจรักให้ดูนะยกตัวอย่างสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยจิตใจมีแต่ความทุกข์เนั้นเจือด้วยโทาศะอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะกี่ปีกี่ปีนะตั้งพันปีหมื่นปีนะจิตก็ยังมีแต่ทุกข์อยู่นั้นดูไปดูไปทุกข์มันเที่ยงนะเพราะฉะนั้นอยู่ในรลกนรกในภาวนาทํำวิปัสสนาไม่ไหว นะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใจลอยทั้งวันเลยใจลอยนี่เที่ยงนะทีมือใครเคยเห็นหมาเห็นแมวใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างรู้สึกไหมเวลามันไม่มีอะไรทำมันจะใจลอยแล้วเราเวลาเผลอเราก็จะทำแบบเขานะสัตว์เลยมีฝูงใหญ่นะพวกเยอะนะเยอะกว่าคนนะเพราะอะไรเพราะไปด้วยโมหนะถ้าเปรตนะั้นมันโลภมันหิวมันกระหายตลอดเวลาใจทุรนทุรายด้วยความหิวความกระหายนะด้วยความโลภ มันเหมือนลบอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูไปดูไปโลบเที่ยงอมดนะดูไม่ได้อะดูไม่ได้จริงไม่แสดงไตรลักษณ์นะส่วนอสุรกายนะเจ้าทิฏฐิใครเป็นคนเจ้าทิฏฐิเจ้าความเห็นบ้างใครยึดถือความเห็นรุนแรงบ้างพวกนี้เตรียมว่าที่อสุรกายนะอสุรกายนี่คือพวกเจ้าทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดในความคิดความเห็นรุนแรงนะงั้นถ้าเรารู้ทันเราไม่เป็นอสุรกายถ้ารู้ไม่ทันนะ จะโมโหคนอื่นไปหมดเลยใครๆก็คิดไม่เหมือนเรานะเราเราถูกคนเดียวนะอย่านี้เป็นภูมิสุรกายภาวนายากเทวดามีความสุขเยอะเพลินนะจะมีคําว่านันทินันทิเกิดขึ้นนันทิราคะเพลือเพลินมีความสุขไปทั้งวันนะเพลินเพลินไม่ค่อยเห็นไตรักษณ์เพรมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่สงบอยู่งันทั้งวันนะมีปีติบ้างไม่มีปีติบ้างมีสุขบ้างนะเลยสุขไปถึงเอกากาตาบ้างนะ แต่ละคนแต่ละคนมีอยู่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะมีความสุขก็มีความสุขอยู่งั้นนานนะมีอุเบกขาก็อุเบกขาอยู่ยงั้นนานไม่แสดงใจรักจิตมนุษย์นี่แหละกลับกรอกที่สุดรู้สึ่งไม่เปลี่ยนเร็วในวันเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนทั้งนับไม่ถ้วนร้อยครั้งพันครั้งไม่เหมือนกันนะเช้าสายบ่ายเย็นจิตไม่เคยเหมือนกันเลยการที่จิตของเรากลับกรอกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว, รวไม่สุขนานไม่ทุกนาน นะไม่โลภนานไม่โกรธนานไม่หลงนานนะไม่มีกุศลนานอะไรๆก็สั้นๆนะแล้วเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็วเพราะฉะนั้นะจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการทำมิปัสสนากรมฐานการที่จะได้เห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์จิตนี้บังคับไม่ได้นะ้วเราอย่าไปทาลายจิตมนุษย์เสีย พยายามมีจิตมนุษย์นะจิตมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเป็นจิตที่มีสีลห้างั้นเรามีสี่ห้าไว้ก่อนแล้วก็คอยรู้สึกตัวนะใจมันโลภขึ้นมารู้ทันใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันใจมันหลงไปรู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจหดหู่รู้ทันใจสุขก็รู้ทันใจทุก็รู้ทันนะใจดีใจร้ายดีใจเสียใจนะอิดช้าพยาบาทกลัวกังวลนะขยาขแยงอะไรเนี่ย ความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยจะมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนให้เรามีอะไรมีแค่มีสติตามรู้มันไปเราจะเห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะนี่เป็นขั้นของการเดินปัญญานะให้เรามีสติรู้มไปเรื่อยเราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลง น, นะเพราะฉะนั้นจิตของมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วอย่าไปทําลายให้กลายเป็นจิตของพรหมซะนะถ้าเป็นพรหมบางอย่างยังมีร่างกายนะยังค่อยอยังชั่วพรหมบางอย่างไม่มีรูปพวกนี้อาภัพที่สุดเลยเรียอรูปประพรหม ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้นะหนีออกจากวังมามาอยู่กับอาราธดาบทอุทัศดาบทดาบทผู้นี้ได้อารู้ประชานนะเจ้าชายสิทธัตถะก็เรียนไดอรู้ประชานในเวลาไม่กี่วันนะท่านเรียนได้เร็วแล้วท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางมันสงบเฉยๆท่านก็ออกไปหาวิธีปฏิบัติต่ตอไปเรื่อยวันที่ท่านบารรลุพระอราหารันต์เนี่ยท่านก็นึกถึงว่าท่านจะไปสอนใครท่านควรจะสอนใคร ก็คิดถึงอารารดาบทกับอุทกดาบทว่าคู่นี้กิเลสเบาบาพอนึกได้นะคู่นี้ตายเสียแล้วคู่นี้ไปเกิดในพรมมรรกเป็นผลมที่ไม่มีร่างกายเพราะงั้นไม่มีหูที่จะฟังธรรมไม่มีตาที่จะมองเห็นพระพุทธเจ้ามีแต่ใจอันเดียวล้วนลวนเลยพระพุทธเจ้าอุทานด้วยความสั่งเวตใจนะว่าสองสองท่านเนี่ยพลาดจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเสียโอกาสครั้งสําคัญเสียแล้วไม่สามารถฟังธรรมได้เพราะไปเป็นผลมอันตรายนะ ถ้าเป็นลมมีร่างกายเขาก็ชอบชวนมาอยู่ตามโรงแรมมาเฝ้าเฝ้าห้างเฝ้าโรงแรมนะไม่ดีอย่าไปเป็นพลมพนะเสียเวลาแต่ถ้าคนไหนอยากเป็นจริงๆก็เป็นไปไม่ว่าแต่ต้องพยายามเป็นพลมพที่มีร่างกายนะพระศรีอานมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนะอีกห้า้อยกว่าล้านปีนี่คูบาอาจารย์ท่านเคยพูดนะอีกห้าร้อยกว่าล้านปีนะก็ลงมาฟังธรรมได้อะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ฟัง เพะนันห้ามนิ่งนะห้ามสงบแล้วก็ซึมทั้งวันไม่ได้นะไม่เป็นโฟมเวนกำเลยเห็นเห็นเห็นโมหะมันเคลื่อนมาแล้วมันก็เคลื่อนหาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเมฆนะไหลมาไหลไปทั้งวันอย่างเมฆนะมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปกิเลสก็เหมือนกันนะ ไหลมาในใจเรามันนักนึกจะมามันก็มานะนึกจะไปมันก็ไปเราไปไล่เมฆไม่ได้ไปดึงเมฆมาก็ไม่ได้เห็นไหมจิเลตก็เหมือนกันนะมันจะมามันก็มามันจะไปก็ไปดูอย่างนั้นน่ะดูไปจนเห็นเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอันเดียวอ่ะกลับไปตอนนี้รู้สึกว่าตามจับความรู้สึกได้ดีขึ้นค่ะคือเวลาหลงไปปุ๊บ แป๊บเดียวมันจะจับได้ว่า<ม>โอ้กาลังหลงเอออย่างนั้นแหละฝึกอย่างนั้นนะพอเรารู้ว่ากําลังหลงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพอรู้สึกตัวได้แล้วต่อไปนะร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันแตใจก็ูยังรู้สึกอยู่นะไม่ลืมตัวเองรู้สึกตัวไปเรืยแต่มีบางครั้งนะคะที่เราตามความรู้สึกได้ว่าเรากําลังหลงแต่ว่ามันไม่ยอมหายคะ่ะอย่าไปอยากหายซิความรู้สึกบางอย่างก็หายบางอย่างไม่จําเป็นต้องหายนะ ยังมีความสุขมีความสุขเรามีสติรู้ว่ามีความสุขไม่จำเป็นต้องหายเพราะความสุขไม่ใช่กิเลสนะอย่างหลวงพ่อมีความสุขยิ้มทั้งวันเลยนะมีความสุขอยู่คนเดียวยิ่งมีความสุขมากเลยนะสงบมิเวกเี่ยมีสติรู้อยู่นะไม่เห็นว่ามันจะหายเลยนะไม่จำเป็นแต่ถ้ากิเลสจะหายทันทีแต่มันมันไปต่อไม่ได้นะคะเหมือนกับมันตันนะคะไม่เอาเราไม่ไปต่อเรามีชีวิตอยู่ช่วขณะต่อหน้านี้เท่านั้นเอง เราก็จะเห็นเลยสงบก็ อ, อยู่ช่วคลาวเดี๋ยวก็ไปฟุ้งอีกใช่ไหมฟุ้งก็ชั่วคลาวเดี๋ยวก็เป็นอย่างงอนเดี๋ยวก็เป็นงี้รู้อยู่เฉพาะหน้าเราไม่ได้ไปไหนแต่มันดีขึ้นใช่ไหมคะดีสิต้องดีสิแต่ตอนนี้ไม่ดีเริ่มกดแล้วมิ้งออกไหม <c oughs> กดจิตลงไปอ่ ะ, อะต่อไปครับง่วงครับหพ่อมันง่วงแล้วก็ซึมครับแล้วกิน<า>ข้าวไปใหม่ๆข้าขวไปกุฏิก็ง่วงแล้วก็ซึม อาเวลากินข้าวใหม่ๆอย่าเข้ากุฏิสินะอยู่ข้างนอกครับแล้วเมื่อเมื่อวานนี้ตอนตอนกลางวังหลวงพ่อเดินเดินจงกรมอยู่ครับหลวงพ่อเดินแล้วก็กอดอกไปด้วยไงครับอรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ตัวที่เดินนี่มันมันเหมือ น, นไม่ใช่เราเ<อ>มก้อนแล้วก็ลองลองยืนแล้วก็ลองแปรงลักษณะนี้หลวงพ่อเออมันใช่จริงเราลองดูให้มันแน่ใจผมคิดเองหรอหลวงพ่อไม่ไม่คิดเองหรอกเวลาที่จิตมันมีสติรู้ตัวตั้งมั่นขึ้นมานะหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วนะขันห้าจะไม่เป็นเรา เพราะความเป็นเราจริงๆไม่มีความเป็นเราเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเมื่อไรจิตเราตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะความเป็นตัวตนจะไม่มีครับมีแค่นี้ของพ่อนี่ชอบเดินจงกรมก่อนอกเมื่อก่อนหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะอยู่ส่วนโพเดินจงกรมกอดอกแล้วต้องทำกัวเอียงไปข้างหนึ่งเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดินขยันเดินกลางวันก็เดินกลางคืนก็เดินเดินไปเดินมาแล้ววันหนึ่งก็เห็นเดินนี่มันมีความเทนะ เห็นมีเซลลซ้อนอยู่อีกแต่เซลทีแรกก็ตัวใหญ่แต่ค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะตัวเล็กลงเรื่อยๆดีให้ดูไปพี่น้องทำแบบเดียวกันเดินจงกรมกอดอกครับก็รู้ทันจิตมากขึ้นครับแต่เพียงแต่ว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันครของพ่อครับวันเดียวก็ไม่เหมือนกันครับผมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นคือคาว่าไม่เที่ยงนะคือบางทีก็ เพ่งบางทีก็ก็รู้สึกดีขึ้นรู้ทันจิตมากขึ้นนะครับฝึกไปนะฝึกไปอ้าวอาจารย์เชิญเห็นเห็นความสุขแล้วก็ดูความสุขอยู่ก็ดีครับทำให้ความสุขอยู่ห่างอยู่ห่างจากอาจารย์ระวังนะใจมันคล้อยตามความสุขมันยินดีพอใจครับนะรู้สึกไหม ม, มันมันเริ่มเพลินในความสุขอะแค่รู้ทันตัวนี้ครับนะ okay. แล้วก็มีสิ่งอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็วางอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นนะเราไม่เอาความสุขเป็นเป้าหมายนะความสุขเป็นแค่ของแถมนั่นเองความสุขแต่เราต้องไม่เพลินกับมันนะอ้าวสอบไปฮะคนนี้ที่ทําอยู่ตอนนี้คือเดินปัญญาแล้วยังเจ้าคะให้อย่าไปกังวลมาก เ, เดินปัญญาเนี่ยไม่เดินทั้งวันทั้งคืนหรอกนะปัญญาเนี่ยนานๆเกิดครั้งหนึ่ง ปัญญาเป็นความเข้าใจไม่ได้เข้าใจตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะนี่ยเราสะสมไปก็ไปปัญญาบก็ปิ้งขึ้นมาทีนึงนานๆปิ้งทีหนึ่งปัญญาไม่เกิดทั้งวันนะไม่เหมือนสติสติเกิดได้เนืองๆปัญญานานๆเกิดทนะีชักเหนื่อยแล้วยังไม่ทันไรเลยเอาไปเชิญใครจะส่งกันบ้านพวกที่เข้าคอร์สเชิญน้มัสการหลวงพ่อครับ ผมจริงๆเ อ, อวนาเอานานแล้วแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสารภาพว่าไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยโดยเฉพาะหกเดือนหลังนี่มันไปติดอะไรผมก็ไม่ทราบฮนะอืมแล้วมันก็ติดอยู่อย่างเนี้ยนฮะไม่มันเหมือนมันกดดันอยู่ข้างในปอดแล้วมันก็พุ่งออกมาเป็นช่วงๆอย่าไปข่มมันไว้ไปกดมันไว้สิมันไม่ทราบเลยครับนะรู้ลงปัจจุบันไปนะ เราปัจจุบันลืมเคำว่าภาวนาไปก่อนแล้วอย่างนี้คือปกติผมจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เดินจงกรมทุกวันนี้ต้องเลิกไปไม่เลิกมไม่เลิกเราเดินเล่นนะอย่าไปเดินเอาดีน ะ, ะเราเดินไปสม่ําเสมอเราคิดว่าเราเดินบูชาพระพุทธเจ้านะทุกวันเรามาสวดมนต์ไหว้พระคิดถึงพระพุทธเจ้าเดินจงกรมเราก็ไม่ได้เดินเพื่อเอาอะไรนะเราตั้งใจแค่ว่าเราเดินบูชาคุณของพระพุทธเจ้าไปครับ<ะ> แล้วมีอุบายอื่นที่ต้องทำอะไรมากว่านี้มหมคือต้องลดโลภะลงรนะถ้าใจเราอยากปฏิบัติเนี่ยมันจะไปจ้องเอาไว้ทำตัวสบายๆลืมคำว่าปฏิบัติไปเอาแค่ว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าไปคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อ ย, อยๆพอจิตใจเรามีความสุขนะรู้ว่ามีความสุขใจมันจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วแต่ถ้าร <ผม S 2> เราคิดว่าเราจะภาวนาเอาดีเราจะกลายเป็นไปนั่งเฝ้ามัน นั่งเฝ้านั่งจ้องมันจะนิ่งไปเลยไม่มีอะไรให้ดูละครับรู้สึกไหมนิ่งไปรู้รู้ครว่านิ่งครับเออทําไมต้องนิ่งเพราะว่าคอยดูอยู่ทําไมคอยดูอยู่เพราะอยากดีที่มันมันเป็นของมันเองมันมันรักดีหามจั่วจัวหนังกันธรรมดานะชื่ออะไรคุณอร่งณร่งครับธรรมดาหัดใหม่ๆนะมันต้องอยากดีก่อนแลแล้วก็รู้ทันมันค่อยคลายออกไป เราพานาไม่ได้เพื่อเอาอะไรแต่เราพานาเพื่อให้เห็นความจริงท่านั้นวัตทุอย่างชั่วคราวตั้งใจไว้แค่นี้นถ้าเราพานาหวังว่าจะรู้ตัวตลอดเวลาหวังจะได้มากผลเร็วๆอะไรนี้จะแข็งไปเลยนะเกินจริงไปขอบคุณครับ ข, ข้างหลังตะกียกมืออยู่ค่ะการาำพิธีการท่านค่ะคื อ, อยันเองก็ต้องเรียนว่าไม่ไม่ได้ฝึก อย่างที่มีครูบาอาจารย์ก็ส่วนใหญก็คืออ่านหนังสือแล้วก็นั่งทําเองนะคะก็ได้ฟังซีดีของท่านอาจารย์แล้วก็เข้าใจในแง่ของการที่ผมว่าให้มีความรู้สึกก็จะรู้รว่าตัวเองเนี่ยรู้ตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งซึ่งไ ม, ไม่แน่ใจก็คือว่าพอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดแต่ว่าคือเข้าใจเอาเองว่าเราไม่ได้กดแต่ว่าไม่ทราบจะทํำยังไงต่อดูง่ายๆนะถ้ากดเนี่ยใจจะหนักหนักแน่นๆถ้าไม่กดนะใจก็โปร่งโล่งเบา ก็คือรู้สึกตัวแล้วประเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องอื่นต่อใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้ยเรื่อยๆนะนี่ทั้งวันจะมี2อย่างหลงกับรู้หลงกับรู้สลับกันไปเรื่อยไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้รู้ตลอดเวลาแต่แต่คําถามคือว่าแล้วอย่างนี้ทีนี้ต้องไปปฏิบัติยังไงต่อนอกจากที่ที่เป็นอยู่อย่างแบบนี้ดูหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้นี่แหละดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะถึงเวลาไม่พลาดสวดมนต์นะทำในรูปแบบบ้างเดินเช่นเดินจงกรมถ้าไม่ถนัดเดินก็นั่งเอา นั่งดูใจที่เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยๆซ้อมซ้อมดูหลงก็รูก็ยังทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ต้องทําอย่างอื่นนะคะอ่านะคัวนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็สงสัยอยู่ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยพอเรานั่งหลับตาเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเราเห็นตัวเราอแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดนะคะแต่แต่เห็นว่าเนี่ยเนี่ยตัวนั่งอยู่นะอย่างนั้นแหละดีไไม่ททราาบํยังดูลงไปเลยไอ้ตัวเนี่ยเป็นของที่ใจเราไปรู้เข้าใจเราเป็นคนไปเห็นมันนะ สังเกตไหมไอ้ตัวนี้เป็นของถูกรู้ใจเป็นคนดูร่างกายกับใจเนี้ยคนละอันกันแล้วค่อยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะจนเห็นรน่างกายอยู่ส่วนนึ่งใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูหยุดต่างห่างอยู่อย่างไม่ไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมก็อ <bond. S 2> êter, เห็นก็เห็นไปอย่างนี้นะเห็นไปน <Jean> ั้นแล้วแค่รู้สึกนิดหนึ่งเออไอ้ร่างกายที่ถูกเห็นเนี้ยถูกรู้ถูกดูนะใจมันเป็นแค่คนดูมันอยู่ต่างห่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะคือคืนนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าพิจารณาต่อว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันเนี่ย เรากําลังจะเริ่มเริ่มไปคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันอันนี้ได้ใช่ไหมได้นะคิดก่อนก็ได้บางคนต้ออาศัยการคิดช่วยมันค่ะเพราะว่าไม่งั้นก็นึกเอ๊ะแล้วเรารู้ตัวแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนี่นะก็ดูไปในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนะพอนั่งไปนานๆมันเมื่อยเราก็เห็นความเมื่อยเป็นอีกส่วนหนึ่งร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกับความเมื่อยร่างกายนั่งอยู่ก่อนนะความเมื่อยมาทีหลังคนละอันกัน จิตก็เป็นคนดูรู้ว่าร่างกายมีอยู่รู้ว่าความเมื่อยเกิดขึ้นแต่แต่ในความรู้อันนี้คือมันจะต้องมีความคิดขึ้นมาก่อนว่าใช่เรากาลังรู้นี้นะเออนะช่วยมันคิดนิดหน่อยก่อนแต่ไม่ใช่คิดจนวุ่นวายนะก็เมื่อยมากๆใจกระสับกระสายก็ดูไปจิตตะกี้ไม่กระสับกระสายตอนนี้กระสับกระสายแสดงว่าความกระสับกระสายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีหลังความกระสับกระสายไม่ใช่จิตหรอกนะนี่หักแยกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เป็นการหัด พี่จะเดินปัญญานะแยกธาตุแยกขันไปด้วย อ, อักต่อไปหลวงพ่อข้าขออนุญาตเล่าเท่าความนิดนึงนะคะสั้นๆส่งกันบ้านครั้งแรกเมื่อปีห้าหนึ่งนะคะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ตั้งมัน่นแต่ไม่ต้องไปดึงกลับให้รู้ตัวไปว่าจิตมันไม่ตั้งมัน่นแล้วมันจะตั้งมั่นเองก็พยายามจะทําอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไป ฝั่งพระอาจาอีกทีที่เสถียนธรรมสถานตอนนั้นนั่งรอคิวว่าจะถามนะคะเส็จแล้วก็ไม่ถึงคิวสักทีเด้แต่ว่าหลวงพ่อก็หันมาทักว่าเออปฏิบัติใช้ได้นะตอนนั้นก็อยากจะถามต่อค่ะว่ามันมันเป็นยังไงเหรอคะแต่พราะไม่มีโอกาสถามก็ก็เหมือนเกิดจ ะ, จ ะ, จ, ะจะพยายามจําความรู้สึกตอนนั้นไว้ว่าตอนนั้นเราสบายสบายค่ะรู้ตัวแต่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้นะค่ะตอนนั้นแหะดี รู้สึกตัวสบายๆรู้สึกตัวตามธรรมชาติอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังแล้วรู้สึกไหมจิตวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อค่ะอถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวอยู่ในนี้ใช้ได้ความรู้สึกตัวเนี่เป็นต้นทางที่จะเดินปัญญาต่อไปจิตใจไหลไปคิดแล้วทราบไหมทราบค่ะนี่ยใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆเริ่มไปกดไปแล้วทราบไหมค่ะเอเพราะว่าตั้งใจว่าจะถามต่อก็เลยไปกดอาไว้กลัวจะลืมคําถามมา ก็จะเออจะตอนนี้ก็จะมาถึงคําถามนะคะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนะะี่ยค่ะเป็นเดือนที่ทุกข์มากเสร็จแล้วก็ก็นั่งฟังสตีพอาจารย์ทุกวันเวลาขับรถเลยนะคะแล้ว ก, ก็คือฟังฟังก็ฟังซ้ําๆเนี่ยแหะค่ะเสร็จแล้วก็พอมาถึงตรงที่บอกว่าเออความทุกข์มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เหมือนปิ้งอะ่ะอนั่นแหละปัญญามันเกิดแม้ปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลานะนานๆมันปิ้งได้มาสักที แล้วเราเหมือนกับความทุกข mm ์ตอนนั like cars, ้นม <Yes. S 1> ันก็ตกหายไปนะคะอาจารย์แต <t> ่ว mm ่า hmm. ม evet. right. like so, ันก็ร okay. ู้สึกว่ามันหายไปเนี่ยอยู่อยู่ประมาณสัก3ามสี่วันแล้วมันก็จะโชยกลับมาใหม่มันไม่เกิน7วันเนาะมันไม่เที่ยงแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีความรู้สึกว่ายังนั่นคือเดือนเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันก็โชยมาเป็นระยะระยะแต่ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าจะเฉยๆมากขึ้นโลกมันห่างออกไปรู้สึกไม่โลกมันห่างออกไปแล้ว ทุกอย่างมันเริ่มห่างเราออกไปอันนั้นไม่ได้คิดเองใช่ไหมกระตุ้ไม่ได้คิ ด, คดเองภาวนามาถูกแล้วเราที่ทํามานี้ถือว่าถูกอยู่ในร่องในรอยแล้วใช่ไหมอยค่สิแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆสิถูกแล้วไปฝึกไปหน้าเห็นไหมความทุกข์มันห่างออกไปนละ้วความทุกข์มันอยู่กับโลกนะถ้าใจกับโลกมันพลากเราเกี่ยวกันใจไม่ทุกข์แล้วเอาเบอร์ยี่สิบห้าเชิญนั่งเก้าอี้ใช่ไหมเบยี่สิบห้า โอ้คนนี้มีโผด้วกลับนิทรการท่านอาจารย์หลวงพ่อค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะไม่เคยได้โอกาสมามามากับลูกสองครั้งแล้วนะคะแต่ไม่ได้โอกาสที่จะได้พูดนะคะไม่เป็นไรแค <c oughs> นนี้ขออ น, นุญาตกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าใครเคยทําอะไรมาบ้างเนี่ยนะคะวันนี้เคยเคยทำพองยุบก็จริงแต่ว่า จริงๆแล้วไม่ชอบค่ะมันก็อยู่นิ่งๆอขออนุญาตเปลี่ยนเป็นพุทโธได้ไหมคะ <c oughs> ได้อะไรก็ได้คือตัวสําคัญไม่ใช่เราทําอะไรค่ะ <c oughs> ตัวสําคัญอยู่ที่เรารู้ทันใจของเราค่ <c oughs> นะเราพุทโธเรารู้ทันใจก็ใช้ได้ดูพองยุบแล้วรู้ทันใจก็ใช้ได้ <c oughs> แล้วค่ะแะต่ทีนี้ทํารูปแบบนี้ก็สวดมนแล้วทําทุกวั น, นะคะ่ะ <c oughs> ดีแต่ว่าพอตอนนั่งสมาธิเนี่ยที่บ้านเงียบเงียบกินไปไม่มี ภาษาหรือว่าอะไรมากระทบสมมตินานๆจะมีเสียงที่ไหนก่อสร้างหรืออะไรก็อะได้สักทีว่าได้ยินอะไรงี้แทบไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็ทํำยังไงไม่แน่ใจว่าทําวิปัสสนาได้หรื อ, อยังไม่ทราบได้นะได้ได้ไม่ใช่หรือได้สิตุ๊บะทุ๊บะคุย อ, อ, อยู่ตลอดค่ะดูง่ายๆอย่างนี้นะะส่วนเรานั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวนะนั่งพุโทโธไปนะ ใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันนะเนี่ยใจมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์แล้แสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปคิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปคิดนี่ก็แสดงไตรลักษณ์แล้วนะร่างกายนี่เห็นไหมร่างกายนั่งอยู่นี่ร่างกายหายใจอยู่นี่ใจเราเป็นคนดูนะร่างกายนี่เหมือนคนอื่นนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินปัญญากรุณาค่ะก็นี้ก็ทำอะไรรู้สึกว่า มันพลาดมันหลุดบ่อยเจ้าค่ะแต่ไม่จําเป็นต้องให้ต่อเนื่องไม่ใช่ใช่ไหมเ้าคะไม่ต้องอย่าไปบอกต้องเมื่อไหร่นึกได้ก็รีบทาทันทีอย่างนั้นใช่ไหมเ้าคะใช่แต่ต้องนึกบ่อยๆหน่อยเจ้าค่ะทุกวันละสองครั้งเลยไม่พอนะเดี๋วค่ะขอค่อยคําน่อครับบอกว่าอืจิตตั้งมั่นเนี่ยเจ้า่ะตั้งมั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าค่ะคม่ไม่ไม่น่าใจว่าตั้งมั่นบางที ทำไม่ค่อยถูกจิตใจตั้งมั่นก็คือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นอย่างตอนเนี้ยลืมละรู้สึกไหมพอไปคิดนะจิตกระโดดไปคิดใช่ค่ะเพราะตอนนี้ตื่นเต้นมากใจเต้นจ้ะค่ะดีอย่าหยุดนะแล้วก็ทําไมจะได้ปัญญาแต่ไม่ค่อยฟังท่านไหนไปทราบนะคะที่ถามมาบว่าหลวงพ่อบอกว่านานๆจะได้ทีอย่างนั้นเหรอคะ ญญ เ, เราเจริญสติไปเรื่อยนะดูกายทํางานดูใจทํางานไปเขาพอเขาก็ได้เองเจ้าค่ะแล้วก็เกีับเรียนถามว่าโยมนี่จะเหมาะกับดูกายหรือว่าดูจิตโยมโยมอ่ะโดยพื้นฐานเป็นคนช่างคิดนะดูจิตจแต่ว่าโดยอายุเนี่ยถ้าคนอายุเกิน50เนี่ยนะมันจะเบลอเบล่ลง่ายเจ้าค่ะนะเพราะงั้นเราไม่จิ้งก่ายนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจแอบไปคิดก็ค่อยรู้สึกดูทั้งกายดูทั้งจิต เราอยู่บ้านจนแม้เราทํางานบ้านเราเคลื่อนไหวเราเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูเจ้าค่ะแล้วถ้าใจหนีไปคิดก็รู้ทันรวมความแล้วดูทั้งกายทั้งจิตเลยเจ <c oughs> ้าค่ะตอนนี้จิตของตัวเองมันมีความรู้สึกว่ามันจะว่างบ่อยๆเจ้าค่ะผมนั่งสมาธิค่น ะ, ะใจเป็นไรนะมั น, นจิตจิตมันคอยจะว่างๆนั่งสมาธิเนี่ย ม, <น>มาดูกายไว้ร<ะ> <นะ S 1> ู้สึกดูกายเนี่ยจะจะชอบเจ้าค่ะดูกายไปเรื่อยๆแต่มันก็มักจะทําซ้ำๆอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าอ ร่างกายเคลื่อนไหวคือเครื่องหวคือทําอะไรก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอะไรก็ได้เคลื่อนไหวไม่จําเป็นต้องไปเจาะจงว่าตอนที่ฉันเก็บผ้าเก็บอะไรนี้ไม่ใช่ไหมคะเรื่องการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวเหยียดอะไรอย่างนี้ใช่ไมเจ้าค่ะใช่ค่ะงั้นโดยรวมก็พอจะได้บ้างใช่ได้ขอบคุณมาค่ะตะกี้ในชัยยกันี้เอาว่าไปไม่ต้องแย่งกันหน้ายังไงก็ไม่ทั่วกราบน้ำมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ได้ฟัง MP3 ของหลวงพ่อมาแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้จิตสักวัตถุเ ห, เห็นเจ้าค่ะเห็นบ่อยไหมก็บ่อยเจ้าค่ะจิตขณะนี้เป็นยังไงก็ตื่นเต้นเจ้าค่ะนอกจากตื่นเต้นแล้วไปทําอะไรก็เผลอไปคิดบ้างเจ้าค่ ะ, ะกดอยู่ดูออกไหมยังดูไม่ออกเจ้าค่ะใจแน่นๆดูออกไหมเจ้าค่ะถ้าใจแน่นๆนะแสดงว่า ม, มีการบังคับเกิดขึ้นแล้วนะเราตื่นเต้นเรากลัวจะตื่นเต้นไปแล้วเพ่งเอาไว้มันก็แน่นแน่นขึ้น <Okay. S 1> หัดรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นนะดูไปด้วยใจที่เป็นกลางดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าไม่มีความคงที่ในกายในใจนี้นะเปลี่ยนแปลงตลอดดูอย่างนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะนะใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลเรารู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเจ้าค่ะนะแล้วเวลาที่แบบเราต้องพบปะผู้คนนี้แบบมันรู้สึกดูไม่ทันนะเจ้าค่ะดูตอนอารมณ์หยาบหยามันเกิดเนาะเรายังไม่ชํานาญเจ้าค่ะ ถ้าชำนาญแล้วรู้สึกเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวคุยกับต้นไม้แล้วลูกเหมาะจะดูจิตหรือ<ะ>ดูกายเจ้าคะดังๆเสียงไม่จะให้ดูจิตหรือดูกายจึงจะสมควรเจ้าคะ <laughs> ดูจิตไปช่างคิดจะตายไปอ้าวไปเบิดอะไรก็เอาแย่งกันเองเอาเบอรสิบสองก็ได้ได้ไม้และเอาสามสิบหนึ่งก็ได้เอา ค่ะก็ปกติเวลาปฏิบัตินะคะหลวงพ่อจะมีสองแบบก็คือเพ่งไปเลยอะคะ่ะไม่งั้นก็จะเผลอไปเลยทั้งวันนะคะก็เผลอหลายวันใช่ค่ะงั้นเพ่งไปก่อนก็แต่เวลาเพ่งก็เหมือนกับมันก็จะรู้สึกหนักๆแล้วก็เบอร์เบอร์ะคะ่ะอออย่างนั้นก็ไม่ดีนะก็ะเลยไม่แน่ใจว่า ตรงกลางมันอยู่ตรงไหนเราต้องทํำยังไงบ้างค่ะรู้จักใจลอยไหมลืมลืมปฏิบัติไปก่อนถ้ายังคิดถึงการปฏิบัติที่ไรจะเพ่งทุกทีเพราะเราเคยชินค่ะงนะั้วเราลืมคาว่าปฏิบัติซะวันเนี้ไปคุยกับเพื่อนแล้วพอใจไหลไปใจลอยไปแล้วรู้คุยไปแล้วลาคาญคนที่ติดเพ่งเนี่ย น, นะจะลาคาญคนอื่นง่ายใช่ไหมค่ะง่เลยลนะ่ะพอหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดอย่าไปว่าเขานะค่ะนะ เพราวันนี้พยายามไปหาคนอื่นนะอยู่กับคนอื่นอย่าไปนั่งสมาธินิ่งๆไปคุยกัคนแล้วก็คอยรู้ทันใจโกรธขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็ ร, ก ร, กรู้อากาศร้อนก็โมโหแล้วนะเป็นโมโหง่ายเพราะว่าพวกติดสมถะนี้จะโกรธง่ายแล้วอย่างนี้ในรูปแบบควรจะทําด้วยไหมคะก็ควรทํานะรูปแบบเราไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเพลาๆน้อยลงหน่อยน ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจําวันให้หนักๆไว้ให้มาก ดูใจที่มันกระทบกระเทือนอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมอันนี้คอยรู้ทันอย่งเนี้นะแต่ถ้าอยู่ๆมานั่งรอดูอ ย, อย่างนี้ไม่ดีน ะ, ะเอาไปกระทบอารมณ์ตามองเห็นหูได้ยินเสียงกินข้าวเจออาหารถูกใจพอใจเจอของไม่ถูกใจไม่พอใจให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไปเพ่งไว้นักินข้าวเหมือนกันหมดเลยใจทื่อๆอย่างนี้ไม่ดีก็อย่าไปเพ่ง อ้าเบอร์ร ส, สิบสองกับน้กลับนมัสการหลวงพ่อครับอับผมเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามไหมนะครับดังๆได้เถอะผมเคยผมมาที่ น, นี่เป็นครัง้งที่สามนแบบรนะ้องคาราโอเกะครับครับเอออับผมผมคือปกตินิสัยผมเนี่ยพอจะรู้ตัวว่าเป็นคนใจลอยนะครับแล้วก็ติดติดเพ่งพยายามจะหาทางออกนะครับแล้วก็ยังยังยังยังหาทางออกไม่ได้ แล้วก็อคือเป็นคนที่ช่างคิดนะครับอืมแล้วก็เปินงานที่ผมปฏิบัติเนี่ยอยู่กับเสียงเพราะผมอยู่ในโรงไฟฟ้าทั้งวันอยู่กับอะไรนะโรงไฟฟ้าครับแงานที่ปฏิบัติเป็นยังไงนะยุ่งกับ ค, คนไหมหรือไม่ยุ่ ง, งเลยยุ่งตลอดเวลาครับเพราะว่าผมเป็นช่างไฟฟ้าอืแล้วก็จะต้องดูแลลูกน้องด้วยนะฮะทีนี้ เอาผมก็อยากจะทำให้ให้ให้นิ่งเพราะผมจะต้องเจอกับปัญหาคนแล้วก็งานในเวลาเดียวกันก็พยายามฝึกอยู่นะครับเวลาที่ผมฝึกเนี่ยประมาณตีห้าแต่ก็เข้าใจว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าฝึกเพราะว่าเพราะเพราะว่าใจยังยังกังวลติดกังวลฝึกอย่างนี้นะไปทํางานกับลูกน้องก็ทํางานกับคนนี่แหละเห็นลูกน้องคนนี้ชอบเห็นคนนี้ลาคาญมันนะ วันนี้เครื่องจักรเสียกลุ่มใจเนี่ยคอยรู้ใจของเราไปเลยนะเรารสัมผัสกับคนเราก็รู้สึกรู้ทันใจของตัวเองนะสัมผัสกับงานงานช่างงานไฟฟ้าอะไรใจของเราเป็นไงเราก็คอยรู้เอานะออกมากระทบอารมณ์ให้มากขึ้นมันจะเพ่งน้อยลงครับแล้ววิธีที่จะแก้ปัญหาที่จ ะ, ะปฏิบัติภาวนาเนี่ยผมเข้าใจว่าผมเนี่ยติดสมถะแล้ววิธีจะแก้นะครับนี่ไงออกมา <คน S 1> กระทบอารมณ์นะออกมาทํางานนี่แหละดีที่สุดเลย แต่อย่าไปเพ่งอย่างนี้นะเพ่งนี้ลูกน้องมาคุยด้วยก็เฉยๆ อ, อย่างนี้ไม่ได้นะให้เป็นคนธรรมดาไว้นะแต่ลูกน้องจะต้องเผชิญลูกน้องมีมาด้วยไหมถ้ามีมาด้วยลูกน้องต้องทําใจนะว่าหัวหน้าคนนี้จะเริ่มร้ายกว่าเก่าแล้วนะครับพวกที่ติดเพ่งนะพอเริ่มเพง่งจะร้ายอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงหนึ่ง ว, ว, วิธีแก้นะครับวิธีแก้ที่จะเจริญภาวนาหรือหรื อ, ร อ, รอปฏิบัติตรงสมถานิธรรมยังไงครับ นะคือวิธีแก้ที่ตัวผมเนี่ยผมจะแก้ที่ตรงไหนก่อนครับก็ต้องค่อยๆ ค, คลายการเพ่งออกนะอาจจะปรับสมถะนิดนึงก็ได้นะเปลี่ยนมาลองเจริญเมตตาด้วยนะโดยพื้นฐานนะใจร้อนนะโดยพื้นฐานใจร้อนทราบครับเพราะงั้นเรามาหัดเจริญเมตตาแทนที่จะไปฝึกสมาธิให้นิ่งหนีโลกไปอยู่คนเดียวนะเราพยายามทําใจของเรานี้ให้อ่อนโยนนะ ให้คนนี้ขอให้เขามีความสุขหน้าอะไรเงี้ย erman. คอยนึกอย่างนี้เรื่อยๆนะให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขให้คนทั้งหลายมีความสุขเนใจให้เราเคล้าอยู่กับการเจริญเมตตานะมันจะค่อยๆอ่อนลงนะเพราะเมตตานี่เป็นกรรมฐานที่อ่อนโยนมันจะไม่แข็งเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้เวลาเจริญเมตตามันจะไม่เป็นแบบนี้สนะัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขจะไม่เป็นหรอกลองเจริญเมตตานะใช้สมถะเนี่ยใช้เจริญเมตตาขึ้นมา แล้วก็ถัดจากนั้นนะออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนะี่ยคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยนะลูกน้องก็จะไม่ลำบากมากเพราะหัวหน้ามีเมตตา <c oughs> ถ้าไม่เจริญตัวนี้นะจะร้ายสุดๆเลยกพะจะอารมณ์เสียพอทำไหวแม่จเจริญเมตตามันจะคลายนะจะคลายไอ้ที่แน่นๆนะไปเพราะเมตตาเนี่ยมันเจือด้วยความคิดเข้าไปด้วย ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขนะขอให้เพื่อนร่วมชั้นมีความสุขให้วิทยากรทั้งหลายมีความสุขอะเนี่ยอาเชิญกราบนะมัสการค่ะดิฉันก็ปฏิบัติภาวนามาก็นานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ายังใจลอยอยู่อะค่ะแล้วขาดสติบ่อยๆไม่ทราบว่าที่บ่อยหรือนาน าสติบ่อยหรือคาสตินานบางทีก็านานบ่อยดีนะแต่นานไม่ดีบ่อยแสดงว่าอะไรแสดงว่ารู้สึกตัวบ่อยใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยวิเศษที่สุดเลยนะแล้วแล้วจะใหพัฒนาไปได้ทำยังไงก็ต้องไม่ไปเพ่งให้นิ่งนะอย่างขณะนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้มันนิ่งอยู่นึกถึงสมัยที่เรายังภาวนาไม่เป็น นึกออกไหมจิตใจสมัยภาวนาไม่เป็นกับจิตใจตอนนี้ไม่เหมือนกันใช่จิตที่ดีที่สุดคือจิตสมัยภาวนาไม่เป็น่ะจิตสมัยนั้นแกว่งตลอดรู้สึกไหมนึกถึงจิตอย่างนั้นแล้วก็ต่างกับคนที่ภาวนาไม่เป็นอยู่นิดเดียวคนที่ภาวนาไม่เป็นนะจิตแกว่งทั้งวันแต่ไม่เคยเห็นของเรานะใช้จิตอย่างคนธรรมดาจิตแ่งทั้งวันแต่เรามีสติตามดูไปเรื่อๆ ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้<ช>นะแต่ไม่ใช่ส่งใจตามไปนะหมายถึงว่าตามคําว่าตามรู้เนี่ยต้องเข้าใจนิยามของคาตามรู้ไม่ใช่ส่งจิตตามไปคําว่าตามรู้หมายถึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาเช่นความกโกรธเกิดขึ้นรู้ว่ามีความโกรธอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าตามรู้นะ <iß Rac s> ไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นไปดูที่ความโกรธความโกรธวิ่งหนีไปก็ส่งจิตตามความโกรธไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นี้หลงนะเรียกว่าหลงรู้แล้วไม่ใช่ตามรู้ ตามรู้หมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาอย่างตอนเนี้ใจอยากพูดทราบไหม <L an> ความอยากพูดเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าอยากเนี่ยเรียกว่าตามรู้ <L an> ก็ก็ถือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาพัฒนาสิถ้าไม่พัฒนาก็มาไม่ได้อย่างนี้หร <L an> อกอย่างตอนนี้ตายไปนะก็ไปสุคติน ะ, <อ>ะไม่ไปทุกคติหรอกเพราะใจเรามีสมาธิมีอะรอยู่ กราบข อ, อคอวันนี้พอสมควรลวนะนะให้อีกคนหนึ่งอ่ะตอนสุดท้ายค่ะอ่ะค่ะกราบธนศักการค่ะหลวงพ่อคือหนูเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติมาประมาณ5เดือนน่ะนะคะโดยการสวดมนต์แล้วก็ภาวนาตามรูปแบบอะค่ะทีนี้ช่วงช่วงนี้ที่จะมีปัญหาถามหลวงพ่อนะคะคือเวลาเราดูจิตนะคะเวลาจะ จะหลงจะขาดสติอะคะ่ะคือจะตอนนี้บ่อยมากคือจะมีเสียงภาคขาภาคบ่อยมากว่าหลงไปคิดแล้วนะหลงหลงไปคิดหลงไปหลงคิดแบบไม่ถูกแล้วให้ดึงกลับมาแม้แต่เวลานอนนะคะหลวงพ่อยังแบบเหมือนพลีกตัวเหมือนเวลารู้สึกมาก็บางครั้งอะคะ่ะเหมือนจะมีตัวภาคเราให้ให้ฝึก ภาวนาอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ทราบ ว, ว่าทำทำถูกต้องหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อพถูกแล้วนะแต่ว่าภาคเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกฝึกหลายปีเลยกว่าจะเลิกพูดอาจะรู้เฉยเฉยไม่ภาคอ่ะนะอตอนอใหม่ๆภาคทุกคนแหละจะจะนานไม้มคะหลวงพ่อหลายปีแล้วเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติยังไง mm hmm. ก็ให้ทราบเฉยเฉยรู้เฉยเฉแล้วคะ่ะรู้มันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะในส่วนรู้จะไม่คิดเลย มันถ้อยเป็นหรอกอย่าใจร้อนปฏิบัต<แ>ิถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อเดี๋ยวพูดให้ขวัญเสียดีไหม <c oughs> ได้คะ่ะ <c oughs> <dialect> ใช้ได้ไปฝึกต่อ